ขความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประพุทธิยานในวันนี้ก็จะนําเสนอการบําเพ็ญก็เรียกว่าประทับสวยวิมุตติสุขของพระพุทธเจ้าในสัปดาห์ต่อไปท่านฟังจะสังเกตได้ว่าพระเจ้ทาทรงสดสรุในวันเพ็ญเดือนหกเวลานี้ก็ประทับสวยวมุติสุขอยู่ก็ห้าสัปดาห์ ก็แสดงว่าในช่วงต่อไปก็คือช่วงข้างแรมเดอนเจ็ะเด็นเจ็ดตอนปลายนะก็ได้ออกจากสมาธิที่ทรงประทับนั่งอยู่นะต้นอัจปานิครยก็เสด็จไปยังต้นไม้จิกชื่อวมุตเจริน แล้วก็ประทับนั่งด้วยพลังเดียวเหมือนกันเสวีย ม, มุติสุขอยู่ตรงนั้นพอดีก็เป็นช่วงที่ขนตกในคเครียดในอาการละเมกนะฮะคือว่าในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการคือยังไม่ถึงช่วงขนตกขนตกพรมก็ตลอดถึงเจือโดยลมหนาวด้วยนะฮะตลอดเจ็ดวัน มุตลินนาค า, าก็ออกจากที่อยู่ของตนก็ไปวงขนดรอบพระวรากายของพระพุทธเจ้าเดยตั้งใจว่าไม่ให้พวกฝนลมต่างๆเนี่ยเบียดเบียนพระวรากายของพระพุทธเจ้าก็ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงศึกษากันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ โดยเห็นว่าในวรรณคดีพระพุทธศาสนาเนี่ยพรยา น, นาค ก, กับพยาครุฑที่เกี่ยวข้องอยู่เยอะมากแต่พรยา น, นาคนั้นจะเกี่ยวข้องมากกว่าพระยาครุฑพระครุฑเราจะมองเป็นแนวนกหัดสดีลิงอะไรต่ออะไรนะคือนกที่มีกําลังมืนก็ช้างแต่ว่าที่เป็นครุฑจริงๆเนี่ยมาจากวรรณคดีของอินเดียมากกว่าวรรณคดีพระพุทธศาสนา แต่ปริญญาคนั้นจะมีอยู่เยอะแล้วเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆทั้งด้านพระสูตรทั้งด้านพระวินยัยทั้งด้านพวกชาดกต่างๆประวัติศัสตร์ของเราก็เคยเกิดเป็นปรญญาณนาที่เรียกว่ากุริทัติชาดกเนี่ยปัญหาปรญญาณาคืออะไรก็มีการถกเถียงมีการพปรายกันอยู่ในปัจจุบันก็ส่วนใหญ่เรามักจะมองเป็นรูปของ เดริชานกึ่งเทพคือถ้าตามตำนานที่ท่านได้เล่าขานไว้เนี่ยท่านแสดงไว้เนี่ยกจะเห็นว่ามันก็เป็นเดริชานกึ่งเทพคือในเชิงของการศึกษาทรรมปฏิบัติทมแล้วถือว่าเป็นอภพภาษัตคือไม่สามารถที่จะสัรู้ธรรมะได้เพราะอยู่ในกำเนิดของสัตว์เดริชาน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานที่มีบ้านมีเมืองอยู่แต่สามารถแปลงเพศเป็นเทพทั้งเทพบระตุฒเทพธิดาเนะี่ยได้สามารถไปไหนมาไหนด้วยเพศที่คนดนไม่รู้จักได้คือบิดเพือนร่างกายแล้วก็เปลี่ยนแปลงร่างกายไปเป็นโดยเฉพาะก็คือเป็นมนุษย์เป็นเทพเนี่ยได้แต่ในขณะเดียวกันเพศจะกลับเป็นพญานาคเวลาสองสองจังหวะ คือเวลาก็เรียกอะไรล่ะคือสมจรกันระหว่างนางนาคต้องคืนกลับไปสู่เพศนัหรดอประการหนึ่งคือช่วงหนับเพศก็จะกลับเป็นพญานาคพรันตนานที่เกี่ยวกับพญานาคมันจึงแสดงว่าเป็นงูประเภทมีงอนแต่ก็เป็นอมนุษย์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ ตำนานที่เกี่ยวกับหนองหานสงางภาคอีสานหรังสืกกอกสกลนครนูดอนเนี่ยนะเราไปศึกษาไปอ่านดูมันก็มีแนวอย่างนั้นคือแนวของงูมีหงอนที่ปลอมตัวมาเป็นคนได้แล้วก็รักใช่ชอบชอบพอกับหญิงมนุษย์อาจจะมีแพศสัมพันธ์มีลูกมีเ้าสืบเชื่อสาย ของนาคลาดไปได้นะฮะซึ่งในแง่ายของชีววิทยามัางกร น, น่าจะมีปัญหาแต่ว่าเนื่องจากเขาเขากึ่งเทพนะกึ่งเทพกึสัตว์เทิดสารก็เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามีจริงหรือไม่จริงในคัมภีร์พุทธศาสนาที่เกี่ยวกับการบวชที่เราเป็นเหตุให้เราเรียกผู้บวชว่านาคเนี่ย คำวนากในความหมายตัวนี้ที่จริงหลายความหมายอาจบางครั้งบางคราวก็หมายถึงต้นไม้ชื่อต้นกากระทิงรูปร่างเป็นยังไงไม่ทราบนะครับบางทีก็หมายถึงผู้เตรียมจะบวชบางทีก็หมายถึงมูที่เป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์เดียร์ชานเนี่ยแล้วบางทีก็หมายถึงพระอระหันต์นะพระหันผู้ใหญ่นี่ก็เรียกมหาราชมหานาค มบางทีก็เรียกช้างไงนะช้างก็เรียกนาค ก, ก็มีมันขึ้นอยู่กับว่าข้อความข้างบนเนี่ยบ่งบอกว่าเป็นอะไรในข้อความตัวนี้บ่งบอกชัดเจนนะว่าพระยานาคไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แต่ความเชื่อในแนวที่มันปนพรามอยู่เยอะพูดในทรรนองค์ค่ะคก็อยู่ใต้ดินวันอคิษฎไทยก็เราลองสังเกตนะฮะเป็นความเชื่อในแนวว่าอยู่ใต้ดิน ก็ทํานองงูขุดรูอยู่นะแต่ก็เป็นเมืองบาดาลใต้พิภพนะก็ในเชิงวิทยาศาสตร์มันก็น่าสงสัยเหมือนกันเพราะนร้อนนะข้างในนี่มันร้อ น, นะ น, น, อนแต่ว่าถ้าเรามองในแง่กรรมเป็นกําเนิดมันก็อีกละคือร้อนไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตยอยู่ไม่ได้เหมือนทะเลทรายที่ร้อนระอุมันก็มีสัตว์มีชีวิตยอยู่ได้ ในพืชผักที่มันร้อนเช่นว่าพริกพวกพริกไทยพวกพริกเนี่ยพริกที่เรากินเนี่ยมันเผ็ดมันร้อนอ น, นะนะแต่ก็มีหนอนอยู่ได้เพราะประเด็นเหล่านี้เราไม่มียานที่ยังรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ในวิ น, ยนัยในท่านบอกไว้ว่าพระยาณาตนหนึ่งมีเกิดสตาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ปลอมตัวเป็นมานุษ์เข้ามาบวช บวชกับคณะสงฆ์นะฮะไม่ได้บวชกับพระพุทธเจ้าก็บวชก็ บ, บวชเรียบร้อยนะเพราะคนบวชอ่ะแล้วท่านก็อยู่ในกุฏิของท่านพอท่านนอนหลับนีิเพศมันกลับเป็นพยานหน้ากุขหนดเต็มห้องไปเลยพอดีเพื่อนภิกษุเข้าไปเห็นเขาก็ตกใจวอยไวขึ้นท่านก็ตื่นขึ้นมาจากนอนท่านก็กลับเพศ กระเพทเป็นพญา น, นาคเองแล้วเพื่อนสักถามท่านก็สารภาพเพื่อนก็พาไปฟ้าเราพทธเจ้าพระเจ้าประสงอธิบายชี้แจงเหตุผลให้ฟังว่าเธอเป็นอภพัสสัตย์คือไม่สามารถจะบวชได้เพราะเราจะมีคำถามในพิธีกรรมได้เกี่ยวกับบวชอยู่คำหนึ่งจะถามมนุษยโซซิแปลว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่า นะเพื่อนบวชจนเป็นสา ม, มนเณรมาแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านพิธีกรรมต่างๆมาเยอะมาถึงช่วงหนึ่งก็ถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านว่ากันว่านะว่ากันว่าถ้าถามคํานี้ถ้าบอกว่าเป็นมนุษย์และตัวเองไม่เป็นมนุษย์นี่มันเพศมันจะกลับเป็นความเชื่อค่อนข้างประหลาดแต่บางทีก็บอกว่าพระยานาคไม่ฝากเชื่อเอาไว้ ว่ยังไงก็ตามก็ได้เรียกเขาคนจะบวชเนี่ยเตรียมจะบวชได้เรียกวันนาคแล้วเมื่อก่อนพิติกรรมในการบวชพระเนี่ยก็ถามมากิดนามอสิกอังพันเตนังโกนามะถามมาเธอชื่ อ, อยังไงยังบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนาคก็จะครับยิงหมายความว่ า, ก, วาก็ต้องบอกว่านาคหมดนะก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงประมาณัร้อยกว่าปีนี่เองก็เรียกชื่อ กว่าตั้งอุปชายะตั้งชายาว่ายังไงก็ต้องเรียกอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องตำนานเรื่องตำนานแต่ว่าปรากฏในพระจัยปิดกนะฮไม่ไม่ไม่จว่าอยู่ในหนังสือรุ่นหลังแนเรื่องพระยามุจลินนาขราชก็เป็นเช่นเดียวกันก็อยู่ในคำภีประไตรปิดก แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังได้เคยอ่านเรื่องบทงเผาผงก็เรียกว่าพุทธชั ย, ยมุคลแปดบทเนี่ยคก็ในบทที่เจ็ดพระเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันต์ทั้งหลายแล้วก็พระโมคคัลลานะก็เลื่อนลอยไปเบิ้ลนาภากาศไปทรมานนันโทไปนันตนาการาดกว่าจะปราบข่านได้เนี่ยต้องให้พระโมคคัลลานะใช้อิตริปปราบเลย แรงเพศเป็นปรญาหน้าต่อสู้กันเือนกันใหญ่กว่าจะกำราบอยู่ตัวเนี่ยใช้เวลาแล้วเรื่องเหล่านี้มันปรากฏเยอะนะฮะในวินัยวิโด ก, ก็มีอยู่หลายตอนประสูตรก็มีนะชาดกก็มีแต่ไงก็ตามเนะี่ยเรื่องเหล่านี้ก็เป็นปฐมเหตุให้เกิดพระพุทธรูปปางนาคปกที่เขาให้พระอะไรคนเกิดวันเสาร์บูชาอะไรนะอันนั้นะก็เป็น การเพิ่มเติมขึ้นในแนวคุณใสพอสมควรที่จริงพระพุทธรูปปางไหนก็คือพระพุทธรูปกันฮะพระพุทธเจ้าก็มีพระองค์เดียวนั่นเองในโลกนี้ยลูกทั้งหลายก็คือปฏิมาเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ากันนั้นแต่จากพื้นฐานความเชื่อความเปลี่ยนแปลงที่สืบต่อกันมาเนี่ยก็ทําให้เรามองเรื่องเหล่านี้ออกไปแตกต่างกันวันนี้เรายัางถกเถียงกันอยู่แถวอะไรน้องคายอะไร เจอว่าบั้งไฟพญา น, นาหรือไฟพญา น, นาคอะไรเนี่ยก็เห็นมีการอภิปรายตกเฉียงให้ดูตลอดเมื่ก่อนนี่เจอคณะเจา้าคณะจังหวัดหนองคายกันมาก็สอบถามก็ดูว่าเคยเห็นหรือเปล่าเขาบอกเขาเคยเห็นแต่ว่าในความรู้สึกของเขาก็เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่เราสังเกตว่าความเชื่อในแนวพญา น, นาคเนี่ย ความเชื่ออยู่ทางภาคอีสานนี่จะสูงากแต่ว่าก็มีอยู่ทุกภาคเพียงแต่น้อยหรือมากกานั้นแม้แต่ระยะหลังๆเนี่ยแม้แต่ระยะหลังๆแล้วก็มีข่าวคราวที่เกี่ยวกับพญานะคปลอมมาเป็นมนุษย์บางปลอมมาเป็นอะไรสัตว์ต่างๆก็เป็นเรื่องความเชื่อที่ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้แต่วันในขณะเดียวกันเนี่ยมันล่าขายไปจนถึงรอยประบาทนะ พระพระบาทที่บุญเจ้าทรงเยียบไว้ริมฝั่งแม่น้ำน้ำมันทาเนี่ยก็ทำกรรมตามคัมราลธนาของพญานาคกราชทั้งหลายและตำนานที่เกี่ยวกับการอัญเชิญพระาธาตุเชิญเสด็จพระาธาตุไปนั่นไปนี้ไปโน้นเนี่ยนะมันก็มีพญา น, นาคเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เรื่อยบางครั้งบางคราวพระอนาคามีพงศ์ต้องลงมาช่วยแก้ไขปัญหาให้ ปญห า, าต้องการจะนำไปบูชาเองก็งทำให้เรือปั่นปวนเรือหยุดเกิดเป็นปัญหาอะไรแต่ไหนเนี่ยก็เป็นังนานที่มันปรากฏมากปรากฏที่เรียกว่าเราเจออยู่เรื่อยๆ้นปญห า, า ก, กินเป็นสัตว์ที่แคลคเราถือเป็นของสูงเราจะไปประดิษฐานไว้ในที่ต่างๆนะสร้างไว้ในที่ต่างๆแล้วก็ฐานะ ที่ค่อนข้างให้ความเคารพนับถือยำเกรงแล้วก็มีสถานภาพคืออยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นปูชนีสถานจะเป็นรอยพระบาทเป็นโบสถ์เป็นเจดีย์เป็นใายเนี่ยจะเป็นพระปรางจะมีพวกพญานาคอยู่ในสถานที่เหล่านั้นว่ามเมื่อพญานาคชื่อมุจจลินเนี่ย มุสลิม น, นากราชเนี่ยสมัยก็เคยไปยืนที่สาะมุสลิมก็ยืนดูก็พยายามมองนัะฮะว่ามันก็เป็นตานานความเชื่อประสาทที่จริงมันก็ไม่เคยใหญ่อะไรเท่าไรหรอกแตรศาสตร์แนวนี้มันจะมีตานานอยู่บ่อยๆก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นที่อยู่มันอาจจะเป็นที่ขึ้นมาปรากฏตัวในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วก็ตำนานในแนวเนี้ยก็ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆของโลกนะเป็นแนวของสัตว์ดึกดำบรรตัวใหญ่ยาวมากๆก็กลายเป็นเรื่องที่ก็รับฟังไว้เฉยๆนะฮะคงไปปฏิเสธอะไรก็ยากก็พูดแต่ว่าตำนานเนี่ยท่านได้แสดงเอาไว้จริงเท็จยังไงก็ไม่รู้แต่ข้อที่ดีก็คือว่าพญานาคนั้นส่วนใหญ่จะ มีอุปกรณ์คุณต่ศาสนาแล้วก็นับถือป ร, รัตนากรก็หม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วก็มองเลยไปจนถึงคาถาที่เราเรียกว่ามาจากพระสูตรสูตรหนึ่งเรียกว่าหิราจะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสกุลพระยายงูสี่สกุลเวลา น, นี้พระก็ไปสวดในมงคลพิธีทั้งหลายเนี่ย ถ้ารูฟังที่เคยได้ฟังสวดกคงจะเคยได้ยินที่ขึ้นวอบิโรปะเขยเมเมตังเมตังเอราประเทยเมหรืออาจจะขึ้นที่อัปปมาโนโบุโทอัปปมาโนธ โ, โมอัปปมาโนสังโฆเนี่ยแล้วก็ความเป็นมาที่เกี่ยวกับสกุลพญางูทั้งสี่ที่พรเจ้าทรงสอนให้ในออกนามแล้วก็แสดงความเมตตาไมตรีจิตต่อสกุลพญางูทั้งสี่ แล้วก็ขออนุภาพของพระรัตรนตรัยที่ไม่มีประมาณเนี่ยให้คุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลให้เกิดเป็นสวัสดิมงคลแก่บุคคลผู้นั้นจะไปในที่ไหนก็ไม่ถูกงูกัดนั้นก็เป็นคาถาที่พระต้องสาธยายเวลาปิวในปา่าแล้วท่านก็จไม่ถูกงูกัดซึ่งก็ถือว่าแนวค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ถือครั่งกันมาในลักษณะอย่างนั้น มันจะเป็นบังเอิญหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่ค่อยได้ข่าวในเรื่องพระธุดมค์ภูมูกันเนี่ยต่างว่าท่านจเจริญพพุทธนูบทนี้ไปแ ต, แต่จริงถ้าสวดก็สวดเต็ ม, มนะนะควรจะสวดให้เต็มเพราะในสมัยโบราณเนี่ยเวลาคนไปอยู่ป่าเข้าป่ามันจะมีคาถาอยู่สองบทบทหนึ่งก็มาจากกนิยเมตสูตรซึ่งเป็นบทที่ใช้ในการจเจริญพระพุทธรูเหมือนกันแลบทหนึ่งก็บทมาจาก อราชสุดเวลาเข้าประตูป่าคนก็ทำพิธีบวงสวงแล้วก็สวดสาธยายแต่รูปของการสร้างไมตรีจิตต่อทวยเทพทั้งหลายและก็สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแผ่เมตตาจิตมันก็มีลักษณะข้อแรกช่วงแรกจะเป็นองค์ธรรมเป็นธรรมะที่เหมือนกับอาวุธ ที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในใจตัวเองในช่วงที่สองก็แผดเมตตาไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณทีนี้ก็กลายเป็นบทคาถาที่พระนำมาสวดในมงคลพิธีทุกครั้งเลยนะมงคลพิธีไม่ว่าที่ไหนก็ตามก็สวดเพียงแต่ว่าจะขึ้นเต็มที่หรือว่าขึ้นสั้นๆเมื่อก่อนการจเจริญพริพุทธมนเนี่ยมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัจจุบันถ้าลองจับเวลาดูนะฮะไม่ถึงสมสิบนาทีเดียว หมดลมันเกิดจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีการพรางไฟมีการตัดยอดอะไรต่าไรก็ประกาศของคณะสงฆ์อย่าโยมก็ขี้เกียจฟังนานๆพระก็ขี้เกียจตรวจนานๆก็มาตะเพาเดียวกันนะฮะอะไรก็ไปกันได้แต่จริงก็สวดมากๆนะฮะแล้วก็นั่งทำใจสงบเนี่ยมันก็ได้ธรรมานุสติได้หรามากเลยก็พญหนาก็วงขนด พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยตลอดเจ็ดวันพกะฝนหายไปแล้วอากาศโปร่งปราศจากฝนจึงคลายกระหนดจากประกายของพระผู้มีพระภาคและจำแรงรูปของตนเป็นเพศมนุษย์นี่ก็อย่างที่บอกไว้ว่าพวกนี้แปลงกายได้นะแปลงกายได้เป็นมนุษย์บุณผู้หญิงเป็นผู้ชายได้มาเที่ยวในโลกมนุษย์ได้มาเกี่ยวข้องกั ในเหตุการณ์ในสถานที่ต่างๆได้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยืนประคองอัญเชลีถวายน้มัจการพระผู้มีพระภาคเบื้องประพักต์กลำลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเปล่งพระพุทธอทานอีกข้อหนึ่งก็อย่างที่บอกไว้ว่าพระพุทธทานนั้นเกิดจากโสมนัสยานคือ ความสมนัตที่เกิดจากความรู้ถึงเป็นคุณธรรมภายในประไทยของพระองค์เป็นข้อความที่เราถ้าดูแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าทรงใช้ทิ่เป็นเนธเนี่ยที่ไปจากสุในส่วดูสัตว์โโลกอะ่ะแล้วก็มาสรุปอะไรไว้ที่จริงข้อความไม่ยาวะนะ ก็ความไม่ยาวแต่แสดงภาพจําลองของโลกทั้งปวงเอาไว้แล้วก็เป็นอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นการสะท้อนภาพของโลกโดยการสะท้อนภาพของโลกให้ชาวโลกเขามองเห็นเนี่ยแล้วก็เลือกประพฤติปฏิบัติตัวเองเราจะพราบว่ามันเจอคําในแนวเนี้ยจะเยอะเลยแม้ในช่วงหลังๆเนี่ย เช่วัตสูรเจ้าทั้งหลายจึงมาดูโลกนี้อันตรการดูรัาชรถที่พวกคนเขาค่องอยู่แต่พวกไม่ผู้รู้ไม่ค่องอยู่แล้วก็ความมันได้ยิงมาสอดคล้องไอเนื้อหาของผู้รู้านที่กล่าวไว้ในวันก่อนได้รับสั่งแก่พ ร, ระองค์กษัตริย์เนี่ยคือท่านผู้รู้เนี่ยท่า น, ท, านท่านไม่ค่องท่านไม่มีกิเลสถุกน้ําฝาเป็นเครื่องย้อมใจวันใจท่านไม่ฟูไม่แพบไปตามกระแสของอารมณ์โลกท่านอยู่ในโลกโดยไม่ค่องไม่ติดอยู่ในอารมณ์โลก ซึ่งก็นี้สามารถเทียบเคียงแบบที่ลดหลั่นลงมาได้ฉ่นเราไปเที่ยวในงานด้วยไปเห็นเด็กเขาเล่นขายของเล่นอะไรต่ออะไรนะให้ลองสังเกตว่าถ้าถามใจเราว่าเราอยากเล่นไหมก็จะตอบได้ว่าไม่อยากเล่นแต่ว่ามันเป็นกระแสตัณหา คือ <Safe> เราไม่เล่นของไอรถน้อยๆเรือน้อยๆของเล่นในตุ๊กตาหรืออะไรจริงๆแต่มันไปเล่นเรื to ่องใหย่แย่กว่านั้นมันแพงกว่านั้นสิ้นเบลืองมากกว่านั้นที่มันยุ่งเนี่ยแล้วกจิตมันก็คล้ายกับลิงที่วิ่งไปตามต้นไม้มันจับมันวางมันจับมันวางมันจับมันวางมันไปกันได้เรื่อยๆแต่มันคงจับอยู่นั่นแหละคงยึดอยู่นั่นแหละเพราะว่ามันมีตันหาที่นําจิตไปสู่สถานที่นั้นๆที่นี้ที่น้่นเนี่ย จับมันก็ต้องยึดตัณหาก็อุปท า, านนะฮะอุปทานมันก็ยิตตรงไหนที่เธอพอใจมากในสุขเวทนาตัณหาก็เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วก็ยึดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ไปในที่ไหนน ะ, ระเราเห็นว่าอย่างนกบางชนิดหรือสัตว์บางชนิดบางทีก็ไปเกาะอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะมันมีสุขเวทนามันมีอาหารมันมีผลไม้มันมีอะไรมันกิน ถ้าลงของสัตว์เรื่ออะไรก็ตอบก็ตามนะฮะถ้าเราสังเกตกระบวนการทา ง, งจิตเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นกระบวนการของอะไรละ่ะอายตนาภาษาเวทนาตนาอุปาทานพบ น, นะฮะคือมันก็มีอยู่ภายในจิตของคนทุกคนพอสัมผัสอารมณ์ปฏิกิริยาทางจิตมันก็เกิดขึ้นจะบวกหรือจะลบก็ตามนะฮะมันก็เป็นเวทนาด้วยกันแล้วก็เป็นตนาด้วยกันเป็นอุปาทานด้วยกันก็เป็นพบด้วยกัน ดังนั้นบางทีเนี่ยทรงสะท้อนภาพอย่างที่คราวหนึ่งกำลังแสดงประธรรมเทศนาอยู่มีพวกผู้หญิงสหายขอ ง, งานางวิสาขาประมาณเป็นร้อยๆนะคนเยอะมันเกิดไปพกเอสุราใส่ขวดมาแล้วก็แอบซ่อนมานั่งดื่มกันดื่มจนเพลินจนเมานะฮะแล้วแสดง ก, กิกริยาที่ผิดปกติพระพุทธเจ้าทรงบันดานลในพุทธานุภาพไปมันมืดมิด คล้ายๆกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่วิปริตออไปแล้วเธอก็ตกใจก็หาัศางเมาแล้วก็มีลําแสงพุ่งออกมาทั้งการความมืดเนี่ยแล้วสั่งไปเลาะมากคลยเนี่ยเมื่อเธอทั้งหลายจะหมัวเพลิดเพลินเรื่นเรองอะไรกันอยู่อีกแล้วในเมื่อโลกสารนิวาสนี้ลุกโผรงอยู่ตลอดระยะเวลาเธอที่ถูกความมืดทุ่งหมอเอาไว้เนี่ยทําไมเนื้อหาประทีปเป็นเครื่องส่องทางให้แก่ชีวิตล่า เป็นการสะท้อนภาพโลกตามร่วมควรแกรกรณีเหล่านั้นแล้วก็เป็นสัจธรรมอยู่จนเดี๋ยวนี้กับโลกก็เป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าในสภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าจิตใจของคนไม่อ่อนไหวไปตามกระแสยั่วยวนล่อ ล, อลวงโดยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยปัญหาเศรษฐกิจสังคมมันไม่ได้มากขนาดนี้แต่ว่าเอาควจริงแล้วจิตใจเราจะอ่อนไหว เร่องจ่ายไม่ควรจ่ายไปในเรื่องที่ไม่ควรไปกินในเรื่องที่ไม่ควรกินเที่ยวในเรื่องที่ไม่ควรเที่ยวก็ทําให้เกิดปัญหาที่หมุนย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวเองแล้วจริงตัวนี้ก็คือการสะท้อนโลกให้ดูพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงนะนะคือต่ห้ามกล่าวอะไรห้ามปรามอะไรก็คงไม่ได้หรอกก็เป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลผู้นั้นพุทธศาสนามีหน้าที่แสดงให้เท่า น, นั้นเด็กต้องฝังเท่าไหร ในรบพระโพธิาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี